ก็นอกจากดิฉันนวพรสุ ป, ปิงครัดแล้วก็ยังมีทีมงานที่มาร่วมสัมภาษณ์หลายท่านนะคะอบอุอ่นมากม <g üler> ก็ขอเชิญแนะนําตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะชนะตาผู้ตัพิมพ์ค่ะอ้าวัส ก, การานอาจารย์ไพศาลค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะดิฉันป้าเล็กค่ะพัทลาดีประวัติค่ะค่ะนมัสการานพระเจ้าค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวร์นาโรจนานาค่ะอ้วนค่ ะ, คะกล่าววัสการค่ะ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 ที่นั่นมีวัดมีป่าอยู่ประมาณสามพันไร่สามพันไร่เป็นป่าต้นน้าชั้นหนึ่งอซึ่งถ้า ม, มีพระอยู่เนี่ยก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆพระตมาก็เลยอไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระสักสองสามรูปนี่ไปช่วยเป็นหลักสองสามรู ป, เ, รปเองแล้วคารวะล่ะคะคารวานะรรว น, นี่ก็ก็คือชาว บ, บ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสักสองสามกิโลอ่าก็จะช่วยโดยเพราะช่วงหน้านี้นี่เป็นหน้าที่หน้าแลง้ง ตอนนั้นเนี่ยจะมีปัญห <ไฟ S 2> ามากเช่นไฟป่าค่ะคือถ้าไม่มีพระอยู่ไม่มีวัดตั้งก็คงจะหาคนมารวบรวมกา ล, ลังชาวบ้านนี่มาช่วยดูแลป่าไม่ได้คร น, นี้เ อ, อที่วัดป่าสุกตซึ่งอาตมาเป็นเจ้าว่านี่ยมีพระอยู่เยอะประมาณกี่ ร, รูปรรเจ้าคะเยอะที่นี่ก็เยอะตามมาตรฐานของอีสานนะประมาณสิบสิบห้ารูปน ะ, อ, อ, ะอาจจะเทียบกับทางกรุงเทพไม่ได้แต่ในระแวกนั้นก็ถือว่าเยอะมากเพราะว่าบางวัด ก็มีภาแค่รูปสองรูปนะเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนั้นในในชนบทที่วัดป่าสุกโตก็มีพระอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้ารูปแล้วก็มีครวสอีกมาปฏิบัติธรรมอีกยี่สิบสามสิบแล้วที่จอนเข้ามาอีกอาทิตลาสี่สิบห้าสิบอเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนดูแลอยู่เยอะวัดป่าสุกโตก็มีปามกันนะประมาณห้าร้อยไร่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 ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก่อนก่อนสิบสี่ตุลาใช่ไหมหนึ่งหกแล้วก็ก็ไปมีทากิจกรรมทางสังคมตั้งแต่เป็นนักเรียนไปออกค่ายที่ชนบทมีไปร่วมในช่วงชมลมตุลาคมอย่างนั้นด้วย ช, ช่วงช่วงประท้วงสิบสี่ตุลาก่อนที่เกิดเหตุการณ์สิบสี่ตุลาเนี่ย ก็ไปร่วมประท้วงที่ธรรมศาสตร์มสมัยเป็นนักเรียนท่านท่านอยู่ธรรมศาสตร์หรือเจ้าคะเพาตอนนั้นเป็นนักเรียนอัตมาเรียนอยู่ในอสมชัญโอ้ยังเป็นนักเรียนอยู่มศสี่ไงคือสมัยนั้นเนี่ยความตื่นตัวทางด้านสังคมการเมืองเนี่ยมาเริ่มมีในหมู่นักศึกษาแล้วก็ลงมาถึงนักเรียนอัตมาก็ตื่นตัวมาตั้งแต่ช่วงตอนนั้นแล้วใช่ค่ะแลก็พอพอได้เวลาเข้ามหายาลัยก็ไปเข้าที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าไปอยู่ชมนุพุทธนะ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 แบบคม um. ีม uh, right? so, um, ีกลุ่มเดียวกับพระอาจารย์ไหมเจ้าคะก็มีอย่างเช่นเอ่อตอนนั้นก็มีเช่นตอนนี้เป็นคารวาลังคือพระประชามประสานธรรมโมใช่ไหมขุณรศรนาโตสิโตโกนซึ่งพวกเราจนจักดีตอนนั้นพวกพวกเราค่ะคาเน็กปะแอลยังยังะยักมาเพวาพขรือยังยังเอ๋ออยู่นิดนแล้วก็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 แต่ว่าอยู่ที่ชุมนุมพุทธนะแล้วก็ตอนนั้นก็ทำการอดอาหารประท้วงนะประท้วงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือจองพนธนอมเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งทางนักศนะึกษาทาไมล่ะถือเป็นทรราช่าสิบสี่ตุลาเนี่ยนะ <Okay. S 1> กลับมากลับมาที่เมืองไทยในรูปสามเณรแล้วมาบวชที่วัดบวรนักศึกษาก็ประท้วงกันใหญ่เพื่อที่จะให้ขับไล่ สามเนหรือพิสุทธนอมเนี่ยออกจากประเทศหรือแม่ก็ดําเนินคดีเพราะว่าอาชญากรรมเขาถือเป็นอาชญากรรมตอนสิบสี่ตุลาเนี่ยมันผิดกฎหมายเนี่ยสังหารประชาชนใช่ไหมมันผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินคดีตามตามกฎหมายหรือแม่ก็ต้องออกจากประเทศนักศึกษากลยประท้วง อ, อันนีค้คือที่มาของเหตุการณ์หกตุลาซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะลืมกันไปแล้วคนนีน้ตมาเนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็คะอยู่คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาปสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับไอความรุนแรงอะ<ล> ไ, <ม>อไ่เกี่ยวแต่ว่าตอนนั้นพวกเราที่ชุมนุมพูดเนี่ยเราเห็นว่า เ, เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวพันกัคณะสงฆ์เ<อ>พราะคณะสงฆ์เนี่ยไปไปไปไปสับสนให้ให้จอมพลทนนทเนี่ยกลับประเทศแล้วก็บวชให้ด้วยใช่ไือก็เหมือ <c oughs> นกามว่าเป็นการไปรับรองความชอบธรรมความถูกต้องของจอมพลทนนม์พวกเราที่ชุมนุมพลกระเลย อด่าบะทวงเพื่อขอให้คณะสงฆ์เนี่ยได้แก้ปัญหานี้อย่างอย่างอย่างโดวยวิถีของชอบพุทธนะแล้วก็ตำตนหนักถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าถ้าเอาจําพลถนองเข้ามาประเทศในภาพในคราบในในสถานภาพของพิสุจนเนี่ยก็ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยเนี่ยเกิดความรู้สึกตั้งคำถามกับสถาบันสงฆ์ว่าทำไมไป ไปให้ความร่วมมือกับจอมพัถนอ ม, อมซึ่งในทางกฎหมายถือว่ายังมีมนทินอยู่นะก็ทางตมาก็เลยไปร่วมประท้วงอดอดไปได้กี่วันจ้แค่แค่สองวันเอ ง, องก็เกิดเหตุการณ์ตุลาตุลาหนะึตุลา 1,9 กอนะก็ถูกจับนะแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวคนละคนละคนละกลุ่มกับศูนย์20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 ที่กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคมซึ่งมีอยู่แล้วซึ่งมีซึ่งมีอยู่แล้วน ะ, ะซึ่งเขามีอยู่แล้วก่อนกอนตุลาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรจริงจังเพราะเราก็ลริมาเลื้อฟือ้นขึ้นมาลกลุ่มนี้ก็มีทั้งพุทธมีทั้งคริสคาทอลิกคับโปรเตสแตนเป็นผูน้นำนะเราก็มารวมกลุ่มกันเพื่ออะไรเพื่อมาเพื่อเรียกร้องให้สองุมไทยเนี่ยเกิดความสมา น, นเราก็พยายาม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 เริ่มปล่อยนักโทษการเมืองเพราะถ้าเราไม่ปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ยเราก็จะถูกต่างชาติมองแล้วก็ถูกกดดันนะวันนี้ก็ก็เริ่มรัฐบาลก็ปีสองหนึ่งก็เลยออกกฎหมายในรัฐสกรัรมนักโทษการเมืองในวันที่วันที6ตุลาเพราะฉะนั้นซึ่งมีคุณสุธรรมแสงประทุมเป็นผู้เป็นรองเป็นอดีตเลขาศนุสิสธิ์เวลานั้น <c oughs> คือคนที่เป็นเป็นผู้นําในการเมืองในปัจจุบันหลายคนเนี่ย ล้วน แ, แต่มีคดี6ตุลาเท่านั้นเช่นคุณสุธามแสงประทุมอาจจะรวมถึงคุณพินิจจันทรสมบัติะนะเทระยุะทธ์ตอนนั้นตอนนั้นแกแกแกไม่มีปัญหาแล้วแกรุ่นหตุลาแกรุ่นสิี่ตุลา <14. S 1> แต่รุ่นหตุลาเนี่ยพวกเนี่ยออจะแล้วก็ อ, อผู้นําเหล่านี้เนี่ยโดนคดีหกตุลานะคะคราวนี้รัฐบาลประกาศในรัชสกรรมคุณสุธามแสงประทุมและคณะก็เลยพ้นผิด อาตมาก็ซึ่งถูกจับในคดี6ตุลาก็ก็เลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนั้นไปอยู่ก<ม>ี่วันเจ้าคะโดนเนีอยู่3วั น, วน6นตุลาถึง9ตุลา19คราวนี้อาตมาก็ทำกลุ่มประสานงานสารศาสนาสังคมเรื่อยมาตั้งแต่ปี19 <อ>เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคดีละเมิดสิทธิมเุษยชนเยอะไม่ใช่เฉพาะกรณี6ตุลาเจ้าคะมีการจับจับคนในชนบทข้อหาคอมมิวนิสต์นะ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 คนที่ร่วมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยกลับมาพัฒนาชาติไทยที่เราได้ยินเขาว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ย <Okay. S 1> พวกนี้คือพวกที่ที่เรียกว่าอาจจะมีมีส่วนร่วมเข้าไปในในในในแวดวงขบวนการแล้วก็ตอนหลังอพอมีคำสั่งของสุวรรษสอซึ่งออกโดยโพนคเปรมตินสูลานน์ก็ทาให้ทุกคนกลับมาสู่เมืองได้โดยโดย โดยสันติวิธีก็เรียกว่ากระบวนการต่อสู้ทางการเมืองก็ยุติอาตมาก็ทำงานเรื่องพวกนี้อ่ะหมายถึงเรื่องการเรียกร้องสิทธิมนเษยชนเนี่ยจนทั้งหนึ่งปีสองหกก็เลยเป็นเวลา 7, ปีตั้งแต่ปี 1-9-2-6 กถึงก็เหนื่อยเดี๋ยวจบพอจบแล้วก็ยังยังไปช่วยในในกลุ่มนี้ด้วยอ่าคือตอนนั้นตอนหลังเริ่มเปลี่ยนเราไปทาเรื่องตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเด็กขาดหาร คือกลุ่มประสัานศาสตร์ประสังคมทำอะไรเยอะจริงๆท่านเรียนศิลปศาสตร์แต่ไปช่วยเหมือนกับกลุ่มที่เป็นพวกของสงฆ์เลยเจ้าค่ะก็คืออัตมาสนใจศิลปศาสตร์คือประวัติศาสตร์เนี่ยขดสนใจในส่วนตัไปเป็นเน้นในสาขาประวัติศาสตร์เป็นความสนใจในส่วนตัวเพราะอัตมาชอบอ่านหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าเรามีสํานึกทางสังคมเจ้าค่ะมีสํำนึกทางการเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนหนุ่มสาวเนี่ยธรรมศาสตร์ โดยพัทธรมศาศนะฮะไม่ว่าจะเรียนทางด้านศิลปะวรรณคดีภาษาอังกฤษการหรือว่าจะเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์หรือบัญชีหลายคนจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมการเมืองไปออกค่ายไป ช, ช่วยเหลือเด็กยากจนคือตอนนั้นเป็นกระแสะของของขอ ง, ของนักศึกษาโดยเพาะธรรมศาสตร์แล้วก็ไปที่มหิดลบ้างนะแต่วัฒธรรมศาสตร์นี้จะเป็นจะเป็นจะขึ้นชื่อในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียนสาขาไหนไม่ไม่ไม่ไมไมสำคัญ <c oughs> ใช่ไหมไปออกค่าย <c oughs> ไปช่วยเหลือคนลำบากเดือดร้อนถ <c oughs> ้าต่อมาก็ทำเนี่ยต้นหลังพอเรื่องสิทธิจประชชนดีขึ้นแล้วต่อมา ก, ก็ไปทำเรื่องเด็กขาดอาหาร <c oughs> ทำไมถึงไปสนใจเด็กขาดอาหารเจ้าค่ะเพราะว่าคือประมาณปีช่วงปีสองศูนสองหนึ่งสองสองเนี่ยเมืองไทยมีปัญหามากคือความยากจน เด็กขาดอาหารเนี่ยประมาณเด็กเด็ก6กเด็กหกอร์ซนที่อายุ ต, ต่ากับสิบปีเนี่ยเป็นโรคขาดอาหารลองนึกภาพว่าเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองส่งออกข้าวใช่ไหม <Okay. S 1> ตอนนั้นเนี่ยเราส่งออกข้าวเนี่เป็นล่าเป็นสรนแต่ว่ามีเด็กขาดอาหารเนี่ยปีหนึ่งหลายล้านคน 60% ์ของเด็กอายุสิขาดอาหารมีเด็กตายเพราะขาดอาหารระดับสมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย เป็นพันคนแล้วเพิินปีสองสองเนี่ยเป็นปีที่ทางสหประชาชาติประกดให้ประกาศให้เป็นปีเด็กสากลแห่งโลกเป็นปีเด็กสากลเอัตมาก็ทําโครงการแด่น้องผู้หิวโหยแด่น้องผู้หิวโหยเนี่ยนะชื่อนี่ชื่อเป็นชื่อโครงการของของพวกเราเจ้าค่ะไปหาเงินเนี่ยไปช่วยเด็กขาดอาหารในชนบทตอนนี้ก็ยังยังมีชื่ออยู่ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะยังทํายู่อ่า ตอนนั้นเนี่ยก็ไปช่วยเด็กช่วยทําศูนย์เด็กทําศูนย์เด็กหรือว่าสนับสนุนโครงการอ่านกลางวันให้กันให้กันเด็กเงินงบประมาณนี่ได้มาจากไหนเรารับริจาคจากคนทั่วไปอันนี้คือคือคื อ, คอที่เราเรียกว่าเอนีโยมันพวกเพื่อตอมาเนี่ยเริ่มทํา NGO มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้ว <c oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> คือว่าอตอนตอ น, น, ตอ น, นทำลรกอมดนตรีสินเด็ ซึ่งเกิดขึ้นมาไล่ๆกันเป็นประมาณปีสองหนึ่งสองสองเราก็ทําโครงการอหาทุนรับบริจาครวมทั้งทําผ้าป่าข้าวผ้าป่าข้าวคือเอาเอาข้าวแล้วกันบริจาคเนี่ยไปช่วยไปช่วยโครงการอาหารกลางวันในชนบทนะซึ่งทั่วทั่วประเทศเลยจ้ะมีประมาณสักเจ็ดแปดจุดที่เราที่เราทําที่เราทำอ่า ที่เราดําเนินการอย่างใกล้ชิดคือเราไม่สามารถทําทั่วประเทศได้เพราะว่า ก, กําลังเราน้อยอ๋อมีจุดเออแล้วคัดเลือกอยังไงเจ้าคะก็และคือหนึ่งต้องมีผู้นำในในชุมชนเช่นเป็นครูหรือเป็นพระซึ่งตรงนี้เป็นเหตุทำไมต้องมาม า, มาพบหลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโรเพราะหลวงพ่ อ, อ ค, คำเขียนเนี่ยท่านท่านมีพระปฏิบัติก็จริงที่ที่จังหวัดเชัยภูมิแต่ว่าท่านท่านเป็นห่วงเรื่องเด็กท่านก็ทําศูนย์เด็ก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 คือมสมัยนั้นเนี่ยศูนย์เด็กนี่เป็นของแปลกนะไม่มีไม่มีมมมยิ่งยิ่งวัดเนี่ยยิ่งไม่ทําใช่เจ้าคะ่ะแล้วก็ท่านก็เป็นรูปแรกๆในจังหวัดเชยงภูมิที่ทําเรื่องนี้<อ>ซึ่งซึ่งอัตมาเนี่ยก็เพิินไปไปได้ข่าวออตอนนั้นเป็นคารวะอยู่ทําโครงการแต่น้องผู้ยุ่งหก็เลยไปไปช่วยสนับสนุนท่านรวมทั้งคือตอนหลังท่านขยับมาทําเรื่องสาธรณก่อข้าวเพราะว่าอยู่เป็นเขาข้าวเนี่ย เอาขึ้นมาบนเขาเนี่ยคือชาวนาเขาทาไร่มันสำปหลังเขาไม่ได้ปลูกข้าวก็ต้องซื้อข้าวกินข้าวมันอยู่ในเมืองอยู่ในข้างล่างไม่มีถนนประหลังไปแลกข้าวเอาเงินเอาสำมาสํารังไปไปค้าแล้วก็ซื้อข้าวซื้อข้าวจากข้างข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่มีถนนต้องปีนขึ้นเขาวันนั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงข้างบนเนี่ยมันราคาแพงชาวบ้านก็ยากจนท่านก็เลยทําสากรลข้าวคือเอาข้าว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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทํำเงี้ยเราเรามีโครงการหลายแบบเพื่อที่จะสนับสนุนความเร่เริ่มในชุมชนที่ทําเรื่องเด็กขาดอหารหรือทําเรื่องแก้ปัญหาความยากจนและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตมารู้จักหลวงพ่อคำเขียนเจ้าค่ะแล้วปีสองหกเมื่อตอมาจะบวชก็เลยนึกถึงท่านทํำไมคิดจะบวชเจ้าค่ะก็ทํางานมาเจปีกันเหนื่อยเหนื่อยมันเหนื่อยแบบเ ห, แบบเหนื่อยแบบล้าล้าจกนกระทั่งว่า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 แล้วก็ที่มันคือไปทะเลาะกับคนน้นคนนี้ไปทะเลาะกับเพื่อนมีความหงุดหงิดราคาญใจสมัยนั้นอารมณ์อารมณ์อมของท่านเป็นยังไงเจ้าคา่ะคือเดิมก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วใช่ไหม <จบ S 2> พอพอจิตมันกระสับกระส่ายเนี่ยมันมีอะไรกระทบก็ก็จะหงดง่ายแล้วก็จะจะไปทะเลาะกับคนซึ่งมางทีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับเราแต่เขาอาจจะพูดไม่ถูกใจเราก็โกรธพูดง่ายคือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเสียศูนย์ เร uh, ิ่มเสียศูนย์อาตมาคิดว่าเออเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยกันไปนะก็ไปเที่ยวไปดูหนังไปชนบทไปออกไปชนบทไปวิธีผ่อนคลายของของท่านตอนนั้นมีมีมาร่วมวงอะไรกันไหมคะร่วมวงดื่มอะไรไม่ไม่มีคือเป็นคนที่เป uh> ็นคนที่ไม่ชอบตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วออเคยลิ้มมันกันนะตอนเล็กๆกก็ไม่ว่ามันอร่อยตรงไหนบุรี่เหล้าก็เหมือนกันก็เคยทดลองตั้งแต่เล hmm ็กๆ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 เพราะว่ามันเป็นการพักผ่อนแต่กายแต่ว่าใจไม่ได้พักผ่อนด้วยดูหนังก็คิดไปด้วยอารมณ์ขึ้นลงไปตามตามตามบัวละครในหนังใช่ไหมไปเที่ยวก็ใจก็ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ไม่ได้ว่างใช่ไหก็หนั่งคิดอะไรไปอ่านหนังสือแล้วก็กายก็เหนื่อยด้วยเพราะว่าไปเที่ยวมันก็ต้องขึ้นรถส่งเรือสมบุกสมบันกลับมาก็เหนื่อยก็เลยคิดว่า สงสัยล้วต้องพักใจแล้ว <Hebrew> ก็เลยแล้วพักใจยังไงอ่ะพักใจก็ต้องทำสมาธิตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าเคยอาตมาสนใจเรื่องนี้มาในทางความคิดเนี่ยสนใจมานานเพราะว่าอยู่ชมุมนุมพุทธสนใจเรื่องงานเขียนพระจ่าท่านพุทธทาสอ๋อตอนตอนนั้นคือเริ่มอ่านเริ่มอ่านของท่านพุทธทาสก็เริ่มอ่านแล้วแล้วก็แล้วใครใคร ท, ที่เป็นคนสอนฝึก ปฏิบัติมียที่ที่ท่านบอกว่ามีนั่งสมาธิ<ก>ออย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะทเองบ้านแล้วก็ไปตามสำนักเช่นไปสำนักธรรมพูพิศัตธ์ของอพระอาจารย์คำตันตอนนี้ท่านเกษีึกไปแล้วนะเจ้าค่าะธรรมปูพิสัตธ์ก็ไปฝึกที่นั่น<ห>แตท่ท่านพิจารณายังไงเจ้าคะก็ตามลมหายใจเจ้าค่ะแต่ทรมานมากเลยทำไมคะเจ้าค่ะเพราะว่าใจมันอยู่นิ่งไม่ได้ คนคนในเมืองนี่มาอยู่ใ น, ใ น, ในวัดป่าเนี่ยมันกระสับกระส่ายไม่มีหนังสือพิมพ์ดูไม่มีโทรทัศน์ไม่มีหนังสือพิมพ์อ่าไม่มีโทรทัศน์ ด, ดูเจิตมันก็ยังคิดวุ่นมันอยู่กับตัวยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้ปฏิบัติอยู่ในห้องมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะจิตมันมันวิ่งมันวุ่นตลอดเวลาเจ้าอันนี้ก็คือที่เราว่ามันทําให้เกิดความกระสับกระส่าย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 ไปเสร็จแล้วก็ยาอือก็สามเดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะเพราะว่านั่งสมาธิแค่สามวันยังยังหาเรื่องยังหาเรื่องหนีเลยใช่ไหมแล้วตอนนั้นรู้หรือเปล่าคะว่าแนวการสอนของพ่อคําเขียนต่างจากที่หลวงพ่อคาตันก่อนเอ่าก็ตอนนั้นยังยังยังไม่ชัดเจนแต่รู้ว่ารู้ว่าเขียนเนี่ยท่านเป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อเทียนค่ะ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 อันนั้นเป็นเครื่องหมายว่าความรู้สึกตัวมันไม่มีแล้วแต่เมื่อเด็กตามที่จิตมันรู้จิตรอลึกขึ้นมาได้ว่าเผลอคิดไปอันนั้นแหละสะติก็จะทำงานดึงจิตกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายเช่นสร้างจังหวะและก็การเดินจงกรมโดยไม่ได้ปิดตาอันนี้คือวิธีการซึ่งอาตมา ก, กว่าจะเข้าใจวิธีนี้ก็ใช้เวลานานนะนานขนาดไหนเจ้าค่ะก็สามอาทิตย์ คือทำผิดไงถามผิดทำผิดไงพอแรกแรกนี่รู้สึกยังไงคะคือทำไมไปเพ่งไปเพ่งเวลายกมือเนี่ยก็ไปเพ่งที่มือเวลาเดินจงกรมก็เพ่งที่เท้าอเวลาคิดก็ห้ามความคิดเพราะมันกําลังจะคิดออกก็แบบเบรกมัเลยเกิดเลยนะมันมันหายบุบไปเลยเจ้าค่ะแล้วแล้วก็ทํำนี่บ่อยๆทั้งอยู่บ่อยซึ่งความคิดมันก็ฉลาดออื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 เพรจิตเราเพ่งจิตมัน เ, เพ่งมันก็หลงไงแต่ว่าพอพอนอนเนี่ยอุอน่ออนออกมาพลั่งพรูใหญ่เลยพอจะนอนนี่มันพลั่งพลูออกมาจนกระทั่งนอนไม่หลับออืแล้วนอนไม่หลับแล้วปวดแขนปวดขาโอ้ไกลใช่ปวดแขนปวดขาปวดแข น, ขแขนจนยกมือไม่เคยขึ้นปวดขาจนเดินจนกลมไม่ค่อยไหวโอ้ขนาดนั้นเลยอพอแม้กระทั่งว่าแล้วจิตมันเพ่งนะจกนกระทั่ทงว่าแค่ยกมือนเนี่ยครั้งสองครั้ง น, น, นะมันเครียดทันทีเลย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 ต้องทำด้วยความยากนะ yeah. แต่ว่าไอ้การที่เราพอเริ่มทำไม่ไหวเพราะร่างกายมันมันทนไม่ได้บวดเครียดแล้วก็ตึงล้าเนี่ย mm hmm. ก็เลยคิดว่าวิธีนี้คงจะไม่ใช่วิธีของเราแล้ว mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะอยู่อีกสักพักให้ครบเดือนตามที่ตั้งเจติฐานไว้ mm hmm. คือที่ถาว่าจะทำเต็มที่เนี่ย ให้ได้ครบเดือนถ้าไม่ได้ผลก็จะไปที่อื่นอาจจะไปส่วนโมกตอนตั้นสามอาทิตย์เนี้ยก็ก็รอค่าเวลาอาทิตย์หนึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีความสนมันไม่มีความอยากไม่มีความกระตือรือร้นมะันละใจมันปล่อยใชบอว่าก็รอปล่อยค่าเวลาเราก็แต่ก็พยายามทำด้วยทำดีไปนะเช่นว่าก็พยายามนอนพยายามพักผ่อนคลายจิตเช่นนั่งครึ่งนิ้วไป ใครสอนศาสตร์นี้เจ้าคะครึ่งนิ้ ว, วอ๋อครูบาอาจารย์นั่นก็บอกว่าเออถ้าอยู่บ้างว่าครึงนิ้วบ้างกระดิกนิ้วบ้างทัา น, น, น, นสอนก็เทียนท่านสอนว่าถ้าเกิดไปนั่งรถเมล์ไปไหนเนี่ยเออหรือว่าทำอะไรก็าตามเนี่ยก็ถ้าเราจะยกเนี่ยมันจะเป็นผิดปกติ<อ>เราก็ใช้ครึ่ง น, นิ้วเพราะฉะนั<อ>้นเนี่ยพอออกจากวัดเราไปไหนมาไหนก็ถ้าสังเกตเห็นลูกศิษย์ก็จะเหมือนกับไม่อยู่นิ่งจะครึงนิ้วมากหรือบางทีถ้าถ้าไม่ครึนิ้วเราก็เปลี่ยนเป็น ทำอย่างอื่นแต่ว่าลักษณะก็ก็คือให้มีการรู้ทีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อเป็นการเจริญสติตลอดวัน24ชั่วโมงมแต่ตอนนั้นตอนที่ทำเนี่ยก็ทำแบบเรียกว่าไม่ได้หวังอะไร ค, ะคือทำแค่รีแลกซ์แล้วก็คอยให้เวลาผ่านไปเพราะกูว่าความเครียดมันคลายลงแล้วก็ทำให้เริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มรู้สึกดีขึ้นเราก็เลยลองปฏิบัติใหม่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 ตอนนั้นกาหนดไปที่ไหนเ <ไป S 1> จ้าคะไ ป, ไปที่ประตูเวลาเดินจงกลมใช่ไหมเดินยงกลมแล้วเราก็ไปกําหนดจิตที่ป้ายป้ายที่ประตูห้องน้ํา <ß uk> ซึ่ง <S 1> <S 1> <S อยู่สุดทางจงกลมคะเพื่อดึงจิตออกออืจากการเพ่งเข้าไหนค่ะให้มันสมดุลกันออืก็ทําไปมันค่อยๆคลายคลา ย, ค, ยคลา ย, ย, ลายจิตที่มันเคยประกบแน่นเนี่ยก็ค่อยๆแง uh, ออกมาค่อยๆแงออกมามันค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็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 ครบเดือนแล้วจะไปส่วนโมก<ช>ก็เลยเลิกก็เลยคิดว่าเราคงมาถูกทางแล้วมั้งก็เลยปฏิบัติแต่ปฏิบัติ ด, วด้วยความโดยความที่เราดูวความเพลิดมากขึ้นด้วยความศรัทธาว่าโอ้พระเจ้าเจ้านี่ท่านพบสติได้ยังไงสตินี่มันมีพลานุภาพมาซึ่งคนธรรมดาคงจะไม่มีทางพบอนุภาพของสติแบบนี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วนี่คือสิ่งแปลกเพราะว่ามันมันอยู่เหนือการคิดมันอยู่เหนือการอยู่เหนือประสบการณ์ส่วน ประสบการณ์ประจําวันที่เราเคยพบก็เลยก็เลยปฏิบัติแบบนี้จนครบสามเดือนค่ะพอหลังจากนั้นก็ได้เวลาศึกเตรียมจะศึกแล้วสองสองมันมันเดือนเป็นเดือนพฤษภาพอคิดถึงวันที่จะศึกมันอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> รู้สึกว่าเราต้องทิ้งชีวิตพระไป ก็รู้สึกว่าอยัางยังยังทาใจไม่ได้ก็เลยคิดว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนคือที่สึกไปจะศึกไปเพื่อว่าเพื่อนจะไปช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขาทางานหนักต้องรับภาระแทนเราก็เกรงใจเขาอ๋อคืองานงานก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ฮะใช่ก็เลยแต่เพื่อนเขาบอกว่าก็ถ้าอยากบวต่อก็ไม่เป็นไรค่ะคงคงกลัวว่าท กลับไปทํา ง, งานได้จะไปอาราวาสไหมนก็แล้จ้บก็บวชต่อก็เลยคิดว่าเออเราก็บวชให้ได้ให้ได้พรรษาดีไหมพฤษธสภาใช่ไห ม, มก็บวชต่ออีกสองเดือนก็เข้าพรรษาเ <Okay. S 1> ข้าพรรษาก็ออกพรรษาแล้วค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นก็เลยขยายจากสามเดือนก็เป็นเป็นแปดเดือนใช่ไหมกะว่าออกพรรษาค่อยว่าอีกทีและตอนเข้าพรรษานี่ก็เลยไปอยู่กับหลวงพ่อคำเขียน Mm hmm. ที่จริงจะปอยู่กับหลวงพ่องเขีนตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วห mm hmm. ลวงพ่องเขีนท้องบอกว่าสุกโตมันลําบากกันดานให้มัอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามนายดีกว่า <Okay. S 2> มีครูบาอาจารย์การเป็นอยู่การขบฉันก็สะดวก mm hmm. ก็เลยมาอยู่ที่วัดสนามนายกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อขงเขียนนั่นก็ม า, า, ม, ามาเดืน อ, อด น, ลดนละครั้งมา mm hmm. ม า, ม า, ม, า, ม, ามาให้กําลังใจแล้วก็มาชี้หนาการปฏิบัติ ที่อยู่หมพ่อเทียนนั่นก็ก็มามาให้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอ่ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยพอพออยู่วัดสนามหนได้สักพักตั้งแต่มีนาจนถึงกรกฎาก็เครียดพอสมคูรแล้วอยากจะไปออกปีวิเวกในป่าก็เลยไปวัดป่าสุกโตไปเข้าบรรษาที่นั่นแล้วก็เลยไปอยู่บนเขาลุงนั้น ส, สืบมา ยาสิจักคือพอครบครบพรษาใช่ไหมฮะก็คิดว่าเอองั้นเราบวชได้ครบปีก่อนดูที่ว่าจะเป็นยังไงแปแล้วฮะสามแปดแล้วก็สิบสองพอครบปีแล้วเราก็บอกว่าเอาบวชต่ออยปีหนึ่งแต่ในใจตอนนั้นเนี่ยคิดไม่คิดไม่ออกนะว่าเราจะบวชได้สิบปีได้ยังไงแค่ห้าปีนี้ก็นานเกินพอแล้วไม่กล้าคิดนะว่าคือไม่กล้าคิดว่าเราจะบวชได้นานแล้วคิดว่าคงลําบาก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 แมระ่งของโยมพ่อโยมแม่ของเพื่อนก็รู้สึกว่ามันยากแล้วก็ความคิดเช่นนี้ก็เลยทำให้ลังเลใจเวลานึกจะสึกขึ้นมาเนี่ยพอนึกถึงชีวิตคารวยแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอยยาก น, นะการที่เราคิดว่าการที่เป็นเป็นพระนี่เออ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 อัตมาเคยติดคุกมาทีแล้วสามวันนะช่วงของหาคมก็พอบวชไปนานๆท่านก็เริ่มเริ่มเริ่มคิดถึงแล้วว่าแล้วเราจะอยู่ยังไงคือมีพี่น้องพี่น้องมีมีพี่อยู่สามมีน้องอยู่หนึ่งแต่เสียไปก่อนที่อัตมาจะบวชอัตมาก็เป็นคนสุดท้องตอนนั้นคือทางที่บ้านก็ห่วงว่าคือท่านคงมองว่าอัตมาเนี่ย คงจะบวชได้ไม่นานอาจจะบวช10ปี15ปีถึงตอนน่าเสื่อมออกมามก็จะตามเขาไม่ทนันใช่ไหมนี่คือความห่วงของพ่อแม่ <c oughs> คือกลัวลูกจะตามไม่ทนันใช่ไมเสื่อมมาแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยคิดว่าไม่อยากให้บวชนานที่จริงแม้กระทั่ ง, งอุปชาตของอาตมานเนี่ยซึ่งอยู่วัดอยู่เป็นเเป็นจ้าวาดอยู่ที่วัดทองดุบคุณพระเทพสุทธีเนี่ย เราจมาไปหาท่านไปกราบท่านอยู่บ่อยๆเวลาเข้ามากรุงเทพทา่ทานก็จะเท้าเมื่อไหร่จะสึกนะคือท่านก็เป็นห่วงแบบแบบผู้ใหญ่ไงคือท่านก็ <c oughs> รู้ว่าคนหนุ่มอย่างเราเนี่ยคงบวชคงบวชไม่ได้นาน <c oughs> แล้วถ้าบวชไม่ได้นานแล้วสึกออกมาเนี่ยมันจะตามไม่ทันเขา <c oughs> ใช่ไหมก็คิดว่าถ้าไม่คิดบวชนานเนี่ยสึกออกมาเร็วๆจะดีกว่า <c oughs> นี่คือความคิดของผู้ใหญ่แม้กรั่งพระท่านก็คิดแบบนี้ออืใช่ไหม พราะในคุณท่านก็นเห็นประสบการณ์ว่าหลายคนที่บวชนานแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอสึกออกมาเนี่ยไม่มีความสามารถที่หรือไม่สามารถที่จะตามทันเขาได้่ ม, มันเป็นลูกน้องเขาคนไ เ, เ, เ, เ, เด็กกว่าไปเป็นคนหน้างานซะแล้วแล้วพระอาจารย์คิดยังไงเจ้าคะพืะอรรมาไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะพระมาก็เป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ชีวิตนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากอยู่แล้วแล้วคิด่าตัวเองก็มีวิชาความรู้ใช่ไหม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 ป .4 ป .6 เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมช่วงสนทนาธรรมเจรองโพในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามพระฟังบทสัมภาษณ์พระอาจารย์ภัยสารวิสาโลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงข้อคิดสกิดใจเชือกผูกลิงใจคุณเราเหมือนประรอดใจคุณเราเหมือนลิง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 ลิงก็รู้จักหยุดเหมือนกันในเมื่อเชือกมันตึงเชือกมันรัดตัวมันใจเราก็เหมือนกันเราก็คอยภาวนาดูใจเราเหมือนดูลิงนัง่นเองแต่เราจะทำไป็นลิงไม่ได้ถ้าทำเป็นลิงคือสร้างความคิดนึกไปด้วยภาวนาแล้วเหนื่อยมากใจไม่หยุดไม่ย่อนเลย เราก็ต้องควบคุมอยู่ที่หลักคือสติสมาธิเกาะนิ่งไว้ที่กายกับใจมันก็สมดุลจนได้ไปไหนไหนมันก็กลับมาไปไหนไหนเดี๋ยวมันก็กลับมาเรารู้เท่าทันความคิดแล้วมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมมันก็สอบได้ในใจเรา คติธรรมคำสองหลวงพ่อฉนอนกระตะปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหน่งรายการธรรมะจัดสรร